ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยยะสังคะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมะขโมงแปลเรื่องที่ส2สองครุกาปฏิวุฒานะวินิชยกักกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุกาัติต่อ ข้อที่เก้าที่สิบก็คืออาการของการปิดอบัตก็ได้แก่เป็นผู้ที่ใครจะปิดกับทําการปิดไว้ก็มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแหละก็คือเป็นผู้ที่ตั้งใจว่าจะปกปิดอ ბ ัตสังกัดที่เศษนี่แหละไม่บอกใครเกี่ยวกับว่าอายก็ตามหรือว่าเป็นผู้ที่มีมานะถือตัวจับไม่อยากให้คนรู้ว่าตัวเองต้องอบัติระตามแล้วก็ทําการปิดไว้ไม่บอกใครก็เรียกว่าเป็นอันปิดแต่ถ้าพิกูจทอดทุระว่าเราจับปิด ครั้นในปุเรพัทปัจฉาพัทหรือว่าในยามทั้งหลายมีปฐมยามเป็นต้นยังลงสู่ลัพชีธรรมบอกเสียภายในอารุณ์นั่นเองที่สุนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไข่จะปิดแต่ว่าไม่ปิดตั้งใจนะว่าจะไม่บอกใครๆแต่ว่าล่วงเลยไปปุเรพัทก่อนฉันได้ลึกไม่ได้ไม่มีความละอายความละอายไม่เกิดขึ้นปัจฉาพัทแล้วตอนเย็นแล้วปฐมยามผ่านไปยังไม่ กล้าที่จะบอกไม่ยอมบอกเพราะชิมัยามผ่านไปยังไม่บอกพอปัดฉิมิยามเกิดพลังเลขึ้นมาเดี๋ยวเช้านี่นะถ้าอารุณขึ้นมานี่ไม่บอกใครๆก็ชื่อว่าเป็นอันปิดเป็นอานรัชีด้วยอันก็มีรัชชีทรรมก็คือความละอายบังเกิดขึ้นแล้วก็ไปเปิดเผยกับพิสุรรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่ามีความตั้งใจที่จะปกปิดแต่ว่าไม่ได้ปิดแต่เมื่อพิจูดยอยู่ในสถานที่ไม่มีพิสูต้องอาบัตแล้ว คอยความมาแห่งพิกษุผู้เป็นสภาฆักันหรือไปสู่สำนักของพิกษุผู้เป็นสภาฆักันอยู่ล่วงกึ่งเดือนไปก็ดีเดือนหนึ่งก็ดีพิกจุนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปิดไว้ทั้งที่ไม่ประสงค์จะปิดเลยก็คือตั้งใจที่จะไปบอกหาพระพิกจุที่เป็นสภาฆักันอยู่แต่ว่าไม่มีพิกจุเลยพิกษุที่อยู่ในสถานที่ไม่มีพิจุเนี่ย แล้วก็คอยความมาแห่งพิสุผู้เป็นสภาขะกันเป็นผู้ปิดไว้โดยที่ไม่ประสงค์จะปิดแม้อบัตินี้ก็ไม่เป็นอันปิดเพราะว่าตั้งใจจะเปิดเผย อ, อยู่แต่ว่ารอให้พระภิกสุมาก็ไม่มีใครมาไปหาพระพิสุก็ไม่เจอแล้วก็เลยไปครึ่งเดือนก็ตามเรียกว่าไม่ประสงค์จะปิดแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดอะไม่ได้เปิดก็คือปิดนั่นเงไม่มีใครให้บอกแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันปิด ฝ่า ย, ายพจุดไอพอต้องเข้าแล้วก็รีบไปตู่สานักพิจูผู้เป็นสภาค้ากันกเราทําให้แจ้งเสียเหมือนบุรุษที่เหยียบไฟเช่นั้นที่สูนี้ชื่อว่าผู้ไม่ประสงค์จะปิดแล้วก็ทั้งไม่ปิดด้วยก็คือเป็นผู้ที่เปิดเผยนั่นเองก็ไม่ต้องอยู่ปริว่านหรอกท้าอย่างนี้ไปบอกว่าผมต้องอาบัตรสั ง, งเเสียแล้วครับขอนั้นขอนี้ขอมานัดเลยอยู่มานัดหราตรีหราตรีขึ้นไปคือ น, นับเผื่อนหนเพระพระริจ้ากําหนดให้อยู่หกราตรีเท่านั้นแหละ แต่ว่าเผื่อว่ามันนับประดิษฐ์ไม่ได้เพราะวิสูขเข้ามาในวัดแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ออกไปแล้วออกไปแล้วก็ไม่รู้ถ้าเกิดภายหลังรู้เกิอยู่หกคืนพอดีหกดาตรีปดิพอดีเลยภายหลังนี้มีคนเข้ามาบอกว่าวันนั้นวันนั้นผมเข้าไปในวัดไม่ได้บอกใครผมออกมาเลยก็ต้องทำกรรมใหม่เพราะฉะนั้นก็อยู่เผื่อไปสักเก้าดาตีสิบดาตรีก็ได้ถ้ามีโทษใจกระพฤติวัดก็จะได้อ่อนน้อมกุศลไม่ได้เจริญยิ่งขึ้น แต่ถ้าเห็นพิจุผู้เป็นสภาฆ่ากันแล้วไม่บอกเพราะกระดาษอายว่าผู้นี้เป็นอุปชาของเราผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราอาบัติเป็นอันปิดแท้แม้ด้วยอายไม่กล้าบอกเป็นอันปิดเมื่อปิดเดียวนี้ปิดไว้วันหนึ่งก็ต้องไปอยู่ปริวาติวันหนึ่งปิดไว้เดือนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ปริวาตเดือนหนึ่งถ้าปิดไว้ปีหนึ่งก็ต้องไปอยู่ปริวัติปีหนึ่งถ้าตั้งแต่บวชมาแล้วก็ปิดมาจนกทั้งหกสิบปีนะ 60ปีไม่บอกใครเพราะฉะนั้นก็ต้องไปอยู่ปริวาส60ปีอาจจะตายก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าวินัยธรเป็นผู้ชราก็สามารถที่จะแก้ไขยเยียวยาได้จึงอยู่ความเป็นอุปชาเป็นต้นไม่เป็นประมาณในการบอกอับนบัตนี้ข้อที่พิกูจ์ไม่ใช่ผู้มีเวรและเป็นสภาค่ากันเท่านั้นเป็นประมาณก็คือถ้าไม่ใช่เป็นผู้มีเวรแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักมักีถูกส่วนกัน ต้องบอกนะถ้าไม่บอกก็ชื่อว่าเป็นอันปิดแต่ถ้าเกิดเป็นพิจุผู้เป็นวิสพ a คะมีเวรต่อกันเป็นศัตรูกันนี่ไม่ควรบอกก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเชื่อิกจุที่เป็นสภาคากันแล้วก็ค่อยบอกอันนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันปิดเพราะเหตุนั้นจึงควรบอกในสํานักพิกจุซึ่งไม่ใช่พิกจุผู้มีเวรและเป็นสภาคากันฝ่ายพิจุใดเป็นวิสพาคากันเป็นผู้มุ่งจะฟังและประจานไม่ควรบอกในสํานักพิกจุเห็นปานนั้น แม้จะเป็นถึงพระอุปัชาถ้าอุปชาไม่มีความรักเลยหวังจะประจานอย่างเดียวเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอากติอย่างมากเลยนะอันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้อุปชาแล้วก็ไปถือนิสัยคนอื่นไปได้แล้วละ่ะถ้าเป็นคนที่ชอบประจานลูกศิษย์อย่างนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วนะว่าถึงพร้อมด้วยอากติหรือเปล่าให้เจริญด้วยไตรสิกขาไหมถ้าไม่มีความเจริญในพุศลพาสนาก็เปลี่ยนอาจารย์บรรดาการบอกเหล่านั้นที่ตุ เป็นผู้ต้องอาบัตในปุเรภัชกตามปัชชาภัชกตามกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามควรบอกเสียตั้งแต่อารุณยังไม่ขึ้นเมื่ออารุณขึ้นแล้วอาบัตนั้นเป็นอันปิดด้วยทั้งต้องทุกกดด้วยการปิดอาบัตินี้ต้องอาบัตทุกกดของตนเองถ้าไปปิดอาบัตชั่วยยาของภิกษุอื่นปิดอาบัตช่วยยาของภิกษุอื่นนี้ต้องอาบัตปาจิตตีปิดอาบัติชั่วยยาของตนเองไม่ว่าจะเป็นอาบัตชั่วยยาหรือว่าอาบัตไม่ช่วยยาอาบัตทุกกด เพราะว่าการปิดนั้นเป็นปัจจัยจะทําให้แจ้งในสํานักพิจุผู้ต้องสังกัธิเศษชนิดเดียวกันก็ไม่ควรถ้าจะทําให้แจ้งอาบัตเป็นอันเปิดเผยแต่พิจุไม่พ้นอาบัตทุกกฏถ้าไปบอกกับพิจูที่ทราบบัตสังกัดทเศษด้วยกันเป็นอันเปิดเผยแต่ว่าต้องอทุกกฏเพิ่มตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นสภาคาบัตเป็นอาบัตที่เหมือนกันเนี่ยไม่ควรไปบอก เพราะเหตุนั้นควรเปิดเผยในสำนักพิจูตผู้บริสุทธิ์และเมื่อจะเปิดเผยจะบอกว่าข้าพเจ้าแจ้งอาบัติตัวหนึ่งในสำนักของท่านหรือว่าข้าพเจ้าบอกอาบัติตัวหนึ่งในสำนักของท่านหรือว่าข้าพเจ้ากล่าวอาบัติตัวหนึ่งในสำนักของท่านหรือว่าท่านจงทราบความที่ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่งบอกอย่างนี้ก็ได้ก็ชื่อว่าเป็นอันเปิดเผยแล้ว ในกรุนทีแก้ว่าจะบอกโดยในเป็นต้นว่าข้าพเจ้าแจ้งครุขาบัตตัวหนึ่งดังนี้อาบัตไม่เป็นอันปิดด้วยอาการแม้ทั้งปวงแต่ถ้าพิจุกล่าวโดยในเป็นต้นว่าข้าพเจ้าแจ้งเล่าหุกาบัตดังนี้อาบัตนั้นเป็นอันปิดไวแ้แท้ก็คือเป็นอาบัตหนักแต่ว่าไปแสดงอาบัตเบา น, นี่ก็เจตนาตั้งใจจะปิดไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดถ้าเป็นความเข้าใจผิดจะ ต, ต้องอาบัตหลังการทิเซ Umn. แล้วก็เข้าใจว่าเป็นอ sort of ับับเบาก็เลยเป็นแสดงอันนี้ไม่เช่วเป็นอันปิดแต่ว่ารู้ว่าเป็นอบดับหนักแต่ว่าเป็นแสดงอบดับเบาอันนี้ก็เป็นอันปิดจะบอกเฉพาะวัตถุบอกเฉพาะอบัตตัวบอกทั้งสองอย่างก็ได้บอกในนายอย่างหนึ่งก็ได้บอกทั้งสองอย่างก็ได้อบดับเป็นอันบอกแล้วด้วยวิธีแม้ทั้งสานี้บอกว่าผมต้องอับดับสังนั้นเศษตัวหนึ่งครับนี่ก็ได้เพราะว่าผมต้องอบดับเพราะว่าสุกวิสัทธิตัวหนึ่งครับนี่ก็ได้ แต่ว่าบอกว่าผมต้องอาบัติสังฆาฏิเศษเพราะว่าไปทํำอสุจิเคลื่อนหรือว่าสุกาวิสธิอย่างนี้ก็ได้นะสงฆ์จะให้ปฏิจชนะปริว่าคือปริว่าสําหรับพิกถุที่ปกติไว้เนี่ยพึงกําหนดเหตุติดเหล่านี้ทราบความที่อาบัติเป็นอันปิดเแียก่อนด้วยประการชนิดก็คือเหตุติดอย่างนี้ทบทวนนะอันแรกก็คือข้อที่หนึ่งเป็นอาบัติ้อที่สองรู้ตัวด้วยว่าเป็นอาบาัติ ข้อที่สามเป็นผู้ปกติข้อที่สี่รู้ตัวด้วยว่าเป็นผู้ปกติไม่ได้ถูกสงยกวัดข้อที่ห้าเป็นผู้ที่ไม่มีอันตรายข้อที่หกก็รู้ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอันตรายข้อที่เจดเป็นผู้ที่สามารถจะบอกได้อยู่ข้อที่แปดก็รู้ด้วยว่าเป็นผู้ที่สามารถจะบอกได้ข้อที่เก้าเป็นผู้ใครจะปิดไว้แล้วข้อที่สิบก็คือปิดเอาไว้ก็ชื่อว่าเป็นงานปิดต้องขอปริวาท ต่อจากนั้นจึงกำหนดวันที่ปิดและอาบัติถ้าปิดไว้วันเดียวเท่านั้นพึงให้ขออย่างนี้ว่าอาหัง่งพันเตเอกังอาปฏิงอาปฏิชิงสั้นเจตาิกังสุกาวิสัตทิงเอกาหาปฏิชนันนางนีต้องอาบัตสุกาวิสัตถินะปล่อยสุกกะด้วยความจงใจดังนี้เป็นต้นมีทวันเดียวแล้วพึงสวดกรรมวาจาให้ปริวาตามในที่มาแล้วในคันธกะนั้นแล ถ้าปิดไว้สองวันสามวันเป็นต้นพึงขออย่างนี้ว่าทวีหาปฏิชันนังอันนี้ก็ปิดไว้สองวันตีหาปฏิชันนังอันนี้ก็ปิดไว้สามวันจตุหาปฏิชันนังอันนี้ก็ปิดไว้สี่วันปัญจาหาปฏิชันนังอันนี้ก็ปิดไว้ห้าวันหกวันเจ็ดวันก็แต่งตามเนี้จนทั่งถึงจุดดสาหาปฏิชันนงจุดสาหปฏิชันนางจุดดะก็แปลว่าสิบสี่ แปลวสิบสี่อาหารแปล ว, ว่าวันปฏิชนะก็คือการปิดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสี่นี้ให้แต่งอย่างนี้พึงแต่งคําประกอบตามจํานวนวันเพียงสิบสี่วันด้วยประการชนี้สําหรับอาบัติที่ปิดไว้สิบห้าวันพึงแต่งคําส่วนประกอบว่าปักขะปฏิชันนำปิดไว้ปักหนึ่งปักหนึ่งก็สิบห้าวันตั้งแต่สิบห้าวันไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าพึงแต่งคําส่วนประกอบว่า อติเรกะปักคะปฏิชนังก็คือปกปิดไว้มากกว่าปักไม่ต้องใส่จํานวนตัวเลขก็ได้ว่ามากกว่าปักคือมากกว่าสห้าวันต่อจากนั้นพึงแต่งคําสวดประกอบว่ามาสะปฏิชนังก็คือปิดไว้เดือนหนึ่งถ้ามากกว่าเดือนหนึ่งขึ้นไปไม่ถึงสองเดือนก็กล่าวว่าอติเรกมาสะปฏิชนังถ้าสองเดือนก็ใช้คําว่าเดเวมาสปฏิชนังมาสะแปลว่าเดือนนะเดเวแปลว่าสอง ถ้ามากกว่าสองเดือนก็เรียกว่าอติเรกเดเวมาสัปปติชนังสามเดือนก็ว่าเตมาสาปปติชนังถ้ามากกว่าสามเดือนก็เรียกว่าอติเรกเตมาสาปปติชนังจนกระทั่งถึงอติเรกะเอกานัสมาสัปปติชนังเอกานาัสมาสแปล ว, ว่าสิบเอ็ดเดือนเดือนเอกานัสมาสในสบเอ็ดเดือนเพรนั่นถ มากกว่าสิบเอ็ดเดือนก็เรียกว่าอติอเดกเอกาดสัมาสัพติชนังถ้าได้แค่นี้ถ้าไม่ถึงปีถ้าเต็มปีพอดีนี่ก็พึงแต่งคำสวดว่าถ้าเต็มปีเรียกว่าสังวัชะระปฏิชนังรับเต็มปีพอดีนะเอกะสังวัชน ะ, ะปฏิชนังเอกะสังวัชน ะ, ะปฏิชนังสังวัชน ะ, ะนี้แปลว่าปีเอกาก็หนึ่งปีพอดี ถ้ยิ่งกว่านั้นไปถึงแต่งคําส่วนประกอบว่าอติเรกเอ ก, กสังวัชะระปฏิชนังมีความมากกว่หนึ่งปีถ้าสองปีก็เดเวสังวัชระปฏิชนังดังนี้จนถึงสัตธิสังวัชนะปฏิชนังก็หกสิปีเลยอติดเอาไว้หกสิบปีก็ต้องมาแต่งอย่างนี้ถ้ามากกว่าหกสิบปีไปก็อติเรกสัตธิสังวัชระปฏิชนังหรือแม้ยิ่งกว่านั้น และถ้าต้องอวบสองตัวสามตัวหรือยิ่งกว่านั้นจึงประกอบว่าดเวอาปาติโยติโซอาปาติโยเหมือนที่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ว่าเอกังอาปาติงที่แต่งเอาไว้ก็อาหังพันเตเอกังอาปาติงอาปาชิงสัญเจตใิกางสุขวิีสัดทิงเอกัอาปาติชันนังแต่ได้เกิดสองตัวก็อาหังพันเตเดเวอาปาติงอาปาชิงอย่างเนี้ยแต่ที่เกินกว่านั้นจะเป็นร้อยหนึ่งหรือว่าพันก็ตามสมควรกล่าวว่า สัมบะหุลาสัมบะหุลาคือตั้งแต่สองตัวขึ้นไปใช้คำวสัมบะหุลาก็คือหลายตัวก็ใช้ได้นะแม้ในอวบัตที่มีวัตถุต่างกันพึงแต่งคําสวนประกอบด้วยจํานวนอย่างนี้ว่าอะหังพันเตสัมบะหุลาสังขารดีเซซาอาปัติโยอาปัตชิงเอกังสุกวิสัตทิงก็คือต้อวบัตสามส่วนที่เศษข้อสุกวิสัตถิปลายสุกาตัวหนึ่งเอกังกายสังสักกัง อันนี้ก็ต้องกายสังสขัขารจะต้องกายหญิงตัวหนึง่งเอกังดุดทุนลาวาจังอันนี้ก็พูดพูดเคาะด้วยวาจาช่วยยาภากึงอวัยวเพศของหญิงก็ตัวหนึง่งเอกังอัตตะการมังก็พูดให้หญิงมาบำเรอตนด้วยกามก็ต้องมาสัมพันธเสียตัวหนึง่งเอกังสั้นจริตังเอกังฮาปฏิชันโนายโยอันนี้ก็หมายถึงทักเสือเป็นผัเมียกันปิดเอาไว้วันหนึง่ง หรือด้วยการระบุวัตถุอย่างนี้ว่าอาหังพันเตสัมบบุลาสังขารีเซซ า, าปฏิโยอาปะเชงนานาวัตถุกาโยเอกาหาปฏิชนนาโยอันนี้ก็ได้นะก็คือต้องอบัตสังขารทเศษหลายตัวแล้วก็หลายวัตถุอื่นก็ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าตัวไหนตัวไหนบ้างอื่นก็ได้หรือด้วยระบุชื่ออย่างนี้ว่าอาหังพันเตสัมบบุลาสังขารีเซซา ปฏิโยปัิชิงเอกาหปฏิชันนาโยอันนี้ก็ได้ก็คือต้นบัตรสำคัญพิเศษหลายตัวแล้วก็ปกปิดเอาไว้วันหนึ่งไม่ต้องบอกวัตถุ ก, ก็ได้บอกแต่อ บ, บัตหลายตัวก็ได้ในวัตถุเป็นต้นนั้นชื่อมีสองอย่างคือชื่อที่ทั่วไปของอับัตที่มีชาติเสมอกันหนึ่งชื่อที่ทั่วไปของอบัตทั้งปวงหนึ่ง ในชื่อทั้งสองนั้นคําว่าสังขารดิเศโสสังคาดิเศโสนี่เป็นชื่อที่ทั่วไปของอาบัตทั้งสิบสามข้อซึ่งเป็นครุกรบัติที่พอจะเยียวยาแก้ไขได้ทั้งหมดสิบสามข้อนั้นจะเรียกว่าสังคารที่เศษบนเลยเป็นชื่อของอาบัตเป็นชื่อทั่วไปชื่อที่ทั่วไปของอาบัตที่มีชาติเสมือกันคือทุกข้อสิบามข้อนั้นชื่อว่าสังคาริเศษเหมือนกันหมดคําว่าอาปัตตินี้เป็นชื่อที่ทั่วไปของอาบัตทั้งปวง พราะฉะนั้นควรที่จะแต่งคําส่วนประกอบแม้ด้วยชื่อทั่วไปของอาบัตทั้งปวงอย่างนี้ว่าสัมบาหุลาอาปาติโยอาปาชินเอากาหปติชนนาโย ο. อย่างนี้ก็ได้นะก็คือข้าเจ้าต้องอาบัตหลายตัวเพราะว่าสังกเสษก็เป็นอาบัตอย่างหนึง่งแล้วก็ปิดเอาไว้หนึ่งวันจึงอยู่วินัยการมีปริวาเป็นต้นแม้ทั้งปวงนี้สมควรแท้ที่จะแต่งคําส่วนประกอบด้วยวัตถุ โคดชื่อและอาบัตก็จะต้องแต่งให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระวิเนัยทองก็ต้องฉลาดในการแยกแต่งคําส่วนพการว่าคํำขอในวัตถุและโคดเป็นต้นนั้นคําว่าสุกาวิสัตถิเป็นวัตถุ ด, ด้วยเป็นโคดด้วยก็คือเรื่องที่ทําให้ต้องอบัตสังฆาฏิเศษวัตถุก็คือเรื่องสุกวิสัตถิปล่อยสุกัตแล้วก็เป็นโคดด้วยนะเป็นโคดเป็นลาวพอ คำว่าสังขารที่เสโสนี้เป็นชื่อและก็เป็นอาานนับถั้ด้วยในวัตถุเป็นต้นนั้นวัตถุและโคดเป็นอันถือเอาแล้วด้วยคำว่าสุกะวิสัตทิ้งและกายสังขารเป็นต้นบ้างด้วยคำว่านานาวัตถุกาโยบ้างชื่อและอาบัตเป็นอันถือเอาแล้วด้วยคำว่าสังขารที่เสโสบ้างด้วยคำว่าอาปัติโยบ้างเพราะฉะนั้นจึงควรทำกรรมวาจาด้วยคาใดคำหนึง่ง ในคำเหล่านั้นแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะประกอบกคำมาาั่วว่าแสดงในด้วยสามารถที่ทั่วไปในอบัตทั้งปวงและด้วยสัมบัภุลาในก็คืออบัตหลายตัวในอบัตทั้งปวงจริงอยู่แม้เมื่อพิจุต้องอบัตตัวเดียวกระทาวินัยคำว่าสัมบัภุลาอาบัตย่อมออกก็คือต อ, อบัตตัวเดียวแต่ว่าเปแต่งคำมัาจาว่าต้องอบัตหลายตัวก็ชื่อว่าเป็นอันไป อยู่กรรมสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่ว่า ย, ย่อมออกผลงานบริสุทิ์ได้เพราะว่าเว้นอับัตตัวเดียวเสร็จแล้วหลายตัวก็มีไม่ได้หลายตัวก็คือมีอับัตตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าหลายๆครั้งก็เลยกลายเป็นหลายตัวแต่เมื่อพิกจุ ต, ต้องอับบัตหลายตัวเรวาทาวินัยกรรมว่าเอกังอาบัตชิงคืออับัตตัวเดียวพอปริวาตอับัตตัวเดียวเมื่ออยู่เรียบร้อยแล้วอับัตย่อมเป็นอันไม่ออกต้องอยู่ใหม่ฉะนั้นทําทเอาไว้ ก็ต้องให้รู้ว่าต้ออาบัติกี่ตัวถ้าไม่แน่ใจว่าสัมผัวูลาดีสุดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักแต่งกรรมวาจารย์ด้วยสัมผัวูลาในอย่างเดียวคือเมื่อสงจะให้ปฏิชนะปริวาปริวาเพื่ออาบาททัติปกปิดถ้ามีอาบาททัติปกปิดไว้วันเดียวพึงให้เธอกล่าวคำขอสามครั้งอย่างนี้ว่าคำขอเอกาหปะปฏิชนะปริวาก็คือปกปิดไว้วันเดียว ก็ขอสามครั้งอย่างนี้ว่าอาหังพันเตสัม ahu ลาอาปฏิโยอาปะชิงเอคาปติชนนายอโซหังพันเตสังหังสัม ahu านังอาปฏินังเอคาปิชนานังเอคาฮาปริวาสรัญาจามนะิอันนี้ก็ครั้งแรกครั้งที่สองก็มีทุตยิยมปิแต่เข้ามา ต, ตรงกลางเนี่ย อหั่งผันเตสัมบหุลาปัติโยปัจจิงเอคาหปติชนาโยแล้วก็ทุติยมปิถัาครั้งทสามก็ปฏิยมปีแล้วก็พันเตสั้งผังสัมบหุลานังอปตินังเอกาหปฏิชนานังเอคาหะปริวัสั์ยาจามิอย่างเนี้ยสามครั้งเมื่อขอเรียบร้อยแล้วก็ให้กรรมวจากรรมวจารให้เอกาหะปฏิชนะปริวาสก็จะ กล่าวเป็นตัวอย่างเฉพาะยติเท่านันว่าสุนโตเมผันเตสังโฆายังอิทัณนโมเบคขสัมบหุลาอาปิตโยอ a ปะชิเอกาหปิติชนะายโสสังหังสัมบหุลานังอาปิตินังเอก a ห a ปิิชนะนางเอกาหะปริวาสังยาจติยาติสังทสาปตะกัลัง สังโฆอิทัณนามาซาภิกุโนสัมปะหุลานังอา a าตินังเอคา a ปาติชนานังเอคาหปริวาสังเดเดียเอสาญาติแล้วก็กรรมวจาอีกสามครั้งสามครั้งแล้วก็กระดาษสรุปนะว่าดินโนสังเขนาอิทัณนามาซาภิกุโนสัมปะหุลานังอ a ปาตินังเอคาหปาติชนานัง เอกหาปริวาโสธรรมติสังคสสะตัสมาตุนีเอวเมตังทา ร, รยามิอันนี้ก็สวดประกาศสามครั้งสวดตยวด ต, ยดตยิเป็นการแจ้งให้ทราบครั้งหนึ่งแล้วก็สวดกรรมวาจาสามครั้งครั้งที่สองก็ดุิยปิก็้วครั้งที่ามติยปิเป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะให้ปริวาสแก่ผู้ที่มาขอชื่อนี้ชื่อนี้พิกตุใดๆดเป็นผู้ต้อง พื่งถือเอาชื่อของพิจู น, น, นั้นๆทำกรรมวาจาอย่างนี้ว่าอายังอิทัณ น, นาโมพิกุคำว่าวอิทธณ น, นาโมนี่ก็เอาชื่อจริงๆเอาชื่ออะไรเช่นชื่อว่าธรรมาขโมอยังธรรมาขโมพิกุในเวลาจบกรรมวาจาพิกษุนั้นพืงสมาทานวัดในโรงศีมาทีเดียวว่าปริวาสังสมาดิยามิวัดสังสมาดิยามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานปริวา ข้าพเจ้าขอสมท า, านวัดก็สมท า, านแล้วก็กลายเป็นทิกสุขที่อยู่ปริวาติเลยนะปริวัตสิกขาที่สุต้องประพฤติวัดหลายข้อครั้งสมท า, านแล้วพึงบอกแก่สง์ในโรสีมานั้นนั่นแลก็แลเมื่อจะบอกพึงบอกอย่างนี้เมื่อสมท า, านแล้วก็ต้องบอกแก่สงในสีมานั้นพระพิสุขที่เข้ามาในวัดนั้นต้องบอกทุกรูปเลยถ้าไม่บอกวัานไหนว่านับราตรีไม่ได้ถ้าอยู่สิบฟันเนี่ยนะ อยู่ไปเก้าวันแล้วมีวิจุเข้ามาใิวัดแล้วก็ออกไปไม่ไ้บอกวันนี้ก็ต้องไม่นับสับราตรีไม่ได้ต้องอยู่ใหม่คำบอกวัดเอกาฮาปฏิชนะปฏิวา่าปกปิดไว้กันเดียวก็บอกอย่างนี้ว่าอหังพันเตสัมบาวาหุลาอาปาติโยอาปาชิงเอกาฮาปฏิชนะโยโซหัสังหังสัมบาวาหุลานางอาปาตินางเอกาฮาปฏิชนานางเอกาหกปน า, น า, าหปริวัตาสร้างยาชิง ตาสามเณสังโฆสัมบบุลานังอาปัตินังเอก า, าปัติชนานังเอก า, าปริวะสังอาดาสิโสหังปริวะสามิเวดิยมามหังพันเตเวดิยติติมังสังโฆทาเบตุอันนี้ข้มีความว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอาบัตดหลายตัวปกปิดไว้วันเดียวนี้ไม่ได้บอกวัตถุนะว่าต้องเรื่องอะไรข้าพเจ้านั้น ได้ขอปริวาทอาบัติหลายตัวที่ปกปิดไว้วันเดียวแก่สงสงนั้นได้ให้ปริวัตหลายตัวซึ่งปกปิดไว้วันเดียวแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็กำลังอยู่ปริวาตอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอสงจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ปริวาทแค่นี้นะอันนี้เป็นการบอกวัดถ้าเกิดบอกกับบุคคลก็ ยัสมาหรือว่ายัสมนโตหลายรูปก็บอกว่ายาสมันโตใครเข้ามาในวัดก็ต้องบอกอย่างนี้ทั้งนั้นเลยก็แลควรถือเอาใจความนี้บอกด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้จะบอกเป็นภาษาไทยก็ได้คระั้นบอกแล้วถ้าประสงค์จะเก็บพึงเก็บว่าปริวาสรนิกีปามีวัดตังนิกี่ปามิก็คือถ้ามีกิจธุระจะต้องไปทําเช่นจะต้องไปสอนจะต้องไปเป็นอุปชาบวชเก็บวัดแล้วก็เป็นภิกษุ ป, ปกติแล้ว เก็บวัดก็เป็นพิสูจปกติแต่ว่าก็จะต้องมีเรื่องค้างคาใจอยู่ถ้าไม่อยู่ให้เรียบร้อยนี่ก็จุติตอนนั้นก็เป็นอันตรายการเจริญกรรมฐานอะไรก็ไม่เจริญด้วยถ้าไม่ได้ตั้งใจเลยจะปดเรื่องจะอยู่ปริวาสให้เรียบร้อยแต่ว่ามีกิจธุระนี่ก็เก็บวัดก็ชื่อว่าเป็นเมือนกับพิสุปกติตักก็ในบรรดาทั้งสองบท น, นั้นปริวาสเป็นอันเก็บแล้วแม้ด้วยบทเดียว แต่เมื่อเก็บด้วยสองบทก็เป็นอันเก็บดีแล้วนั่นเองก็คือจะบอกว่าปริวาตสร้างนิพิปามีขับเจ้าเก็บปริวาตก็ได้หรือว่าวัดตังนิพิปามีขับเจ้าเก็บวัดอย่างนี้ก็ได้แต่บอกโดยสองบทนั้นก็ไม่เป็นไรแม้ในการสมาทานก็มีในนี้นั่นเองก็คือไปขอปริวาต ท, ที่วัดหนึ่งระหว่างทางเนี่ยจะต้องกลับวัดเมื่อกลับวัดแล้วจะต้องเจอพระพิสุรูปอื่นนั้นก็ระวังไว้ให้ดีก็คือเอาปลอดภัยไว้ก่อนเก็บวัดเลย พอเก็บวัดแล้วเจอพระวิกสุรูปอื่นเราก็เป็นวิกสุปกูปติเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกพอเข้าไปอยู่ในวัดตัวเองนะตอนนี้ค่อยสมาทานใหม่ก็เป็นปริวาสิกะพิสุเื่อใครเข้ามาในวัดนี้ต้องบอกอันนี้ก็มีข้อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ตั้งแต่การที่เก็บวัดแล้วย่อมตั้งอยู่ในฐานะแห่งปกติตะทิสุเมื่อพิกษุทั้งหลายออกจากโรสีมาไปจะเก็บในสำนักพิกสุรูปเดียวก็ควรเก็บกับภิกสุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ พิจูผู้ออกจากโรงสีมาไปแล้วจึงได้สติพึงเก็บในสำนักพิกจุผู้ไปด้วยกันถ้าพิกจุแม้นั้นก็หลีกไปเสียยังไม่ได้บอกแต่พิกจุอื่นรูปใดที่โรงสีมาพึงบอกแต่พิจุนั้นให้รู้แล้วก็เก็บเถิดมีพิกจุรูปไหนที่ยังไม่ได้บอกบ้างไหมมีพิจุที่ยังไม่ได้บอกก็ต้องไปบอกไม่อย่างนั้นวันนั้นก็นับราตรีไม่ได้เหมือนกัน และเมื่อจะบอกพึงกล่าวว่าเวดิยติติมังอายัสมาทาเรตุอันนี้ก็บอกกับพิสุรูปเดียวเมื่อจะบอกกับพิสุสองรูปพึงกล่าวว่าอายัสมันตาทาเรตุเมื่อจะบอกกับพิสุสามรูปพึงบอกว่า oh อ า, ายัสมันโตทาเรนตุมีสําหรับใช้รูปเดียวทาเรตุรูปเดียวถ้าเป็นสองรูปก็อายัสมันตาทาเรนตุทาเรนตุใช้อันตุจงตรงจํำข้าพเจ้าไว้ ถ้าสามรูปก็อายาสมันโตทาเรนตุถ้าวัดมีภิกษุน้อยภิกษุผู้เป็นสปารอันยูไม่ต้องเก็บวัดนับราตรีในวัดนั้นนั่นแหลถ้าพระภิกษุน้อยก็ไม่ต้องเก็บวัดเลยให้สมาทานตลอดประพฤติวัดตลอดต้องไปนั่งข้างท้ายไปอยู่กุฏิหลังที่ไม่ดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะต้องมีการประพฤติวัดแต่ถ้าไม่อาจจะให้หมดจดคือภิกษุมากเหลือเกินตอนเช้า พระพิตุเข้ามาในวัดหรือว่าออกไปจากวัดเข้ามาในวัดใหม่ไม่รู้อะไรก็รักษายากเพิ่งเก็บวัดตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหละก็คือเก็บวัดตามปกติในเวลาใกล้รุ่งพร้อมดพระพิตรุรูปหนึ่งแวะออกจากทางใหญ่นั่งในที่กระบังด้วยพุ่มไม้หรือว่าด้วยรัว้วให้เลยสองเมตถุบาจากเครื่องล้อมแห่งวัดที่ล้อมจากที่ควรแก่เครื่องล้อมแห่งวัดที่ไม่ได้ล้อม พึงสมาทานวัดแล้วบอกตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหละเฉพาะภายในอรุณถ้าในวัดนั้นพระภิกษุเยอะมากไม่สามารถที่จะประพฤติวัดให้บริสุทธิ์ได้ให้เก็บวัดเป็นภิกษุ ป, ปกติตาไม่ต้องประพฤติวัดแต่ว่าภายในอรุณก่อนอรุณขึ้นเนี่ยให้ออกจากวัดนั้นไปให้เลยสองเล่มุบาทออกไปก็ให้เลยสองเล่มุบาทออกไปเรียกว่าเป็นเขตป่าก็ได้พร้อมกับพระสจูรูปหนึ่งไปสมาทานวัดภายนอก ภายนอกนั้นน่ะก่อนอรุณขึ้นพอสมาทานเสร็จปุ๊บก็รอให้อรุณขึ้นพออรุณขึ้นก็เก็บวัดก็นับราตรีได้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ก็เป็นอุบายในการที่จะประพฤติวัดในที่ที่อยู่ด้วยความลําบากนับราตรีได้ยากในวัดที่มีพักจุมากๆเมื่อจะบอกถ้ามีพิกตุผู้อ่อนกว่าอยู่พึงกล่าวว่าอาวุโสถ้ามีพิกตุผู้แก่ปัญญาอยู่พึงกล่าวว่าพันเต ถ้าพิจูอื่นบางรูปมาที่นั้นด้วยจิตจําเป็นบางอยา่างถ้าปริวาสิกะพิจุนั้นเห็นพิจุนั้นหรือได้ยินเสียงของเธอควรบอกด้วยนะออกไปนอกวัดแล้วสองในตุบาทแล้วเจอพระวิสุได้ยินเสียงก็ตามเห็นก็ตามก็ตก้องบอกเมื่อไม่บอกก็เป็นรัตเตเฉดหมายถึงว่าขาดราตรีนับราตรีไม่ได้แล้วก็เป็นวัตเพทด้วยก็คือข้อวัดเสียข้อวัดแตกต้องอบัตทุกฎถ้าไม่บอกแต่ว่าถ้าตาไมไปบอกแล้วตามไม่ทันยังไงไงก็ไม่ทันอย่างนี้ก็ ไม่ต้องอ บ, บัตบทุกกฎไม่เป็นวัตถเภศแต่ว่ารัติเฉดนนแหละขาดราตรีนับไม่ได้วันนั้นน่ะถ้าพิจุนั้นล้าอุปจาระเข้าไปสิบสองศอกแล้วหลีกไปเสียแต่เมื่อปริวารกิจกพิจุยังไม่ทันรู้มีแต่รัติเฉส่วนวัตถเภทนั้นไม่มีเพราะว่าเหลือวิสัยเหรือวิสัยเพราะไม่รู้ว่าจะไปบอกได้ยังไงแต่ว่าวันนั้นนับราตรีไม่ได้เมื่ออารุณ์ขึ้นแล้วก็พึงเก็บวัดเสีย ถ้าพิสูุรูปนั้นหลีกไปด้วยกิจบางอย่างปริวาสิกาพิสูตเห็นพิสูุรใดก่อนพิสูตทั้งหมดพึงบอกวัดแก่พิสูตนั้นแล้วก็เก็บวัดคือไปกับพิสูตรูปหนึ่งเนี่ยหวังว่าจะไปสมาทานวัดเสร็จแล้วว่อาอรุณขึ้นแล้วก็จะเก็บแต่ว่าพิสูุรูปนั้นก็ไปไหนซะแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นยังสมาทานวัดอยู่อ่ะมันก็ให้เดินไปในแถวนั้นน่ะเจอพิสูตรูปไหนก็บอกวัดเสร็จแล้วก็เก็บกับพิสูตรรูปนั้นก็ได้ แม้ไปสู่วิหารเห็นพิสูตรรูปใดก่อนเพิงบอกวัดแจกพิสูจนั้นแล้วก็เก็บวัดนี้เป็นการบริหารของพิสูตผู้เก็บวัดแล้วก็เป็นข้อประพฤติของพิสูตรที่ทําผิดพลาดไปแล้วก็วคือต้องอบัติหนักเป็นอบัติสันคาดิเศตก็แก้ไขแล้วก็มีวิธีการในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากแต่เป็นเรื่อ ง, องการที่จะฝึกฝนอบรมตนเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาปแล้วก็มีการประพฤติวัดด้วยสติสัมเชิญะมีการประพฤติอ่อนน้อมก็เป็นการเจริญกุศลอีกนัยะหนึ่ง ควรในการที่จะประพฤติสําหรับผู้ที่ต้องอบัตรหนักคืออบบาตสงค์ที่เศษวันนี้สมควรแต่เวลาคอยท่านทหลายเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาปเป็นผู้ที่ใครในการที่จะศึกษาในอธิสินประพฤติปฏิบัติตามเพื่อน้อมไปในการที่จะอบรมอธิจิตติคขาและก็ปัญญาติขาขอให้ใจสิกขาบริบูรณ์ในจิตของท่านประชุมกันบริบูรณ์ด้วยมรรคีงองค์8แล้วก็ตัดสู้เป็นพระอริยบุคคลด้วยการได้เนินชานี้ด้วยเทิน สาตสตสต